ก่อนยิแจ้งข่าวผู้ดรดอาจจะทราบเร็วก็ได้สามีาบาบูลุงสมนาอได้ไปแล้วศพอยู่สาราหนึ่งตัวนี้เดี๋ย ว, วบยริจากให้ลงพยาบาลไม่ได้ทรรมการเผาอั น, นใดยังไม่ทราบใครรู้จักมคุณก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ วันพานี้วันสุดท้ายคงจะไปไปมามาคงจะยาวอาทีอยู่าไปต่างจังหวัดหลายที่หลายทางกลับมาสามสิบกลับมาสองสาวันไปต่อบางทีส3มสิไปรับพระบรมทาตุเจ้าพระสังฆาลเพื่ออันเชิญไปที่ประเทศอินโดนีเซีย อยู่โดประมาณสิบปันกลับมาก็มีเวลาอีกสอาทิตย์หลังจากนั้นประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็วิสาขะแล้วต้นเดือนเมนายนก็หายไปเป็นเดือนหนึง่งกลับมาก็กรลกดาต้นต้นกราละกรทดางาน ก็ไปแนะนำกับพวกเราเป็นนงของครูบาอาจารย์เป็นนำของวัดเวลาทำความดีคนเขาไม่เคยเห็นกันเลักขงไม่ดีน่ะหขเสียหายทั้งวัดเสียหายทั้งประเทศแสดงว่าคนมันไม่ได้มองคนดีความดีมองที่ความไม่ดี มันจึงเป็นปัญหาความไม่ดีนะั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวเราสอนมาเป็นสิบปียี่สิบปีเรื่องดีเรื่องชั่วของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นเขามันก็ยังเป็นสุดท้ายก็เอาตัวเองเข้าไปแรกเป็นข่าวเป็นข่าวทุกวันไทั้งตะทั้งยมพระเดชเรียนชีเป็นด้วยกันหมด ลงังตอนนี้คือเด็กบอกเบื้องบนส่งมาเ พ, พื่พุทธเจ้าคนนะส่งมาพระก็ไปกราบแปดโกรธพระไปกราบก็ตั้งสติดีๆพระเสด็จเท่าไหร่ศาสนาเราไม่มีสง่งร้านมาส่งคนี้มามันไม่มี พุทธิย่าไม่ได้ยุ่งของพวกนี้นักนักเข้าบอกว่าเด็กแปดขวบสอนดีกว่าพุทธเจ้าหนักหนาสาหัสเลยทอนี้เอาพุทธิเจ้ามาเล่นเล่นยังไม่พอไปเหยียบพุทธเจ้าอีกเอา้เด็กแปดขวบสอนดีกว่าพุทธเจ้าอธิบายง่ายฟังง่ายกว่าพุทธเจ้าหนอนหนาในรกเสี่ยงหวันน่ะ ในพ่อคนที่ไปศึกษาเนี่ยภาระ ต, ตระหนักใจมันขาดแล้วคุณสมบัติของเบอร์สุสิกามันไม่มีแล้วนี่สิ่งแต่อันตรายที่เกิดขึ้นในอคตไปพระสงององค์เจ้ากันเหมือนกันสองภาษามสมภาษาห้าภาษาเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นหมดแล้วเป็นพระธาตุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด มเพิ่พอมีขึ้นสองหมห้าไปให้ผ่านได้แล้วซื้อเอาในพานซื้อเอาในวันนี้เมื่อก่อนเอาทองคําไปแลกเอาเข้าวปลาเพืไปถวายพระเจ้าตอนนี้ซื้อเอานะสองหมื่นห้าไปให้ผ่านได้บางสำนักไปอยู่สองํา เ, เดินเจ็ดเดินเนี่ยเป็นพระสวดาได้มันไปกันใหญ่แล้ว ทีนี้ถ้าเราไม่ตั้งสติไม่มีสติปัญญาประกอบเป็นเองมันจะใครควรเอาของคุญแจต้องเอากุญแจเป็นหลักพระทามประสงค์ประสงค์หมายถึงพระอริยะสงฆ์ต้องย้ำว่าพระอริยะสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ที่เอาพระหลวงมหมัมม์วันไม่ได้เป็นพระเลยเอาพระหลวงมหม่มมไปหั่นกินในบิณฑบาตจับปันทุบ้านทุกเมือง แค่ควนของมันเขเขาเหลืองเพราะผมเขาปบัตกันกินแหะโดยที่วความเป็นมนุษย์มันมีที่ไหนมันจะลดลงคุณภาพคุณธรรมมักก็จะลดลงแอ้ประเทจะสัทธากับสัทธากันจังว่าจะทาเป็นที่ตั้งขารปัญญานี่ก็พูดกันมาเป็นสิปีแตทาดีไม่ดีแต่มันไม่สัมพยุต ด, ด้วยปัญญาไม่ใช้ปัญญาที่อยู่ เราต้องระมาระวังเ ร, เริ่มต้นจากความคิดของตัวเองนี่แหละเนื่องจากเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นแกนกลางกล า, ายเป็นตัวเองมาตรฐานแล้วก็ไม่ฟังใครเขตเกิดพอ้อนนี่แหละจิตตะมันจะสังสมหรือว่าจิตมีหน้าที่เก็บสังสมสังสมเกิดจินตนาการอาการของจิตหรือจินตะ เมื่อมีการสังสมมันก็มีจินตนาการสุดท้ายตัวสาคัญคือจาแต่ท้าจาของไม่ดีเกิดอะไรขึ้นให้จาแต่ขอดีของไม่ดีอย่าไปจาแต่ที่สาคัญคือให้วุ่นวายกับเรื่องคนอื่นนะมันน้อยลงดูตัวเองให้เยอะๆอย่าไปดูคนอื่นมันได้อะไรขึ้นมาทั้งชีวิต ครคนนั้นดีกว่า น, นั้นชั่วคา น, นั้นจนกว่า น, นั้นรวยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยในการปฏิบัติดูพุทธเจ้าหนีทุกอย่างออกจากพระราชามากษัตย์นี้จากสมบัติพระสถานื่วแสวยงามมรรคธรรมความหลุดพ้นอยู่ป่าเข้าป่าอยู่คนเดียวหนีความวู่วาย แสวงหาหนทางจลวงป้อคนทางกนเมื่อบอกพวกเขาผู้เจ้าไม่ได้สอนหาเะตุงเะตังโบทมาแล้วสะสมนี่ีวันนั้นพระที่สอนหาเะตุงเะตังไหน่้ยด้วยนี่เกย์เกเขาไว้ผู้ดิจ้าไม่ได้สอนมันอะไรที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่าไปเอาใจใส่เลย มันไม่ได้ประโยชน์อะไรสรงส า, ารศาสนาหลีดวงยิ่งครูบาอาจารย์ก็าจะปฏิบัติขัดเข้าตนเอง6กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสุดท้ายกลาเป็นเครื่องมืออลาเป็นเหยื่ออันตรายโดยพ้องยิ่งครูบาอาจารย์ต่อไปในยุครุนโล่รุนหลานของพวกเรา มันจะเริ่มน้อยลงคนนี้เป็นหลักเป็นฐานแนะได้นําได้เป็นพึ่งพาอาศัยทางจิตใจได้มันจะน้อยลงะสุดท้ายจะกลายเป็นกรงเป็นก้อนเป็นคณะเป็นเสน้นเป็นสายถือใครถือทันแต่ละองค์ก็แต่และพระพระองค์งนี้ตัวนี้พระองค์นู้นพระองค์นู้นตัวนี้พระองค์นี้พระก็เริ่มเป็นละเริ่มไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าคระุทเจ้าไม่ได้สอนให้ทางเท้าอื่น ที่สำคัญคือฝากพวกเราทุกคนว่าอย่าเป็นเน้นเรื่องทานมากเกินไปโปรดจะหายรวมต น, นี่ศินสมาธิปัญญาเรานี่เป็นเรื่องเนื่องทานทูบ้านทูบเมืองภาลนาอ า, านิสง์กันโอโหจะไปพักผลนิพพานไปนอนถวายหาบาตรติบัตรยุบมือถวายนุ่นปราตานานิพพานสวรรค์นุ่นทานคือทาน สินคือศินจะไปปนกันการเล่นแกงห้อหมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องทานเป็นหลักพุทธเจ้าเน้นศินนะโดยเพราะเกินนักปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติเนยเน้นศินสวัสิปัญญาเอาศินเป็นหลักเพราะเราเน้นแต่ทานมันไม่มีศินศินมันน้อยมันจึงนี้เป็นอย่างนี้ แต่ก็ยังพูดว่าตัวเองเป็นคนมีศีลอยู่ขเขาใจตเองมั่นใจตเองไปศีลเต็มร้อยศีลคืออะไรยังไม่รู้ศีลจะต้องทําอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรศีลคือการติชิ่นินทาคนอื่นเลยเอาคนนั้นมาเล่าคนนี้มาเล่านี่เรอเรื่างศีลเลยก็ไม่รู้มันเป็นปัญหาบริหารสาวพวเราทุกคนต่อไปไม่ว่าจะจัดงานปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่เนะ่ ขอเว้น oh, oh. เรื่องทานเอาให้เราต้นที่ศินศึกษาตั้งความเข้าใจแล้วก็ลงมือในทางปฏิบัติว่าอย่างนี้มันผิดศิลป์นะส่วนนะเรื่องทานเราทากันมาเยอะแล้วทำมาทั้งชีวิตแล้วท า, านมาก็ได้แค่โลกนี้ได้สุขอกสุขกันแอะไรกันและฐานะความเป็นอยู่ คนสะดวกแต่ศีล น, นี่เพื่อเรื่องของแนาโคตรเริ่มต้นแต่ละวันเด็นเริ่ต้นไปถ้าเราคบมีศีลก็จะเป็นอย่างนี้เพราะศีล น, นี่ตัวที่ ก, กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์โดยสภาวะหมายถึงจิตของคนฮะจะเป็นอะไรก็เพราะศีล น, นี่แหละประตูชีวิดไม่ได้เกี่ยวกับทานความเป็นคนก็อยู่ที่ศีลนี่ความเป็นสัตว์ก็อยู่ที่ศีลก็เป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ศีลความเป็นพระก็อยู่ที่ศีล ศีลเป็นปตัวชีวัะถ้าศีลไม่ครบเมื่อไหรเป็นคนไม่ได้ถ้าไม่มีศีลเลยยิ่งหนักขึ้นไปอีกเป็นคนไม่ได้เลยศีนสักตัวก็ไม่มีก็ดูสิงสาราสัตร์ใช่มีไหมนั่นรูปร่างกายสังการเหมือนกันหมดถ้ามีอะไรที่หนึ่งเหมือนกันถ้าตสี่กันห้าดื่มกินทำพูดคิดเหมือนกันหมดต่างกันตรงศีลนี่แหละ นั่นจริงๆําคัญมากๆวันๆหนึ่งให้ทบทวนสิ่งก่อนตัวเองว่าตัวไหนที่เราดังรักษาไม่ได้แล้วแต่น้อยดังของจริงคือปาก ไ, ไป ห, หมดเลยแต่เปิดทีก็ไป ห, หมดมันไม่พูดถึงความดีของง น, นอะไรกันเลยควาดีที่มันไม่อยู่มันไม่พูดไอ้สิงที่พระเจ้าบอกเราก็ไม่ฟังก็ต้องกสิมระวังสมรูม้ร่วมกัน อันนี้คือข้อแรกเลยที่พรทธเจาฝากแล้วก็เป็นห่วงของพวกเราคือคําว่าสํารวมเคําว่าสัมรวมมันรวมหมดเลยทั้งต า, างหัวอยู่บนปากก็ส่วนของกระเพาะส่วนของหัวส่วนที่สูงที่สุดส่วนที่มันสําคัญที่สุดมใช้คําว่าสํารวมถ้าตาเห็นแล้วไม่สํารวมมันเกิดอะไรขึ้นหูวรับมาได้ยดนแตนไม่สํารวมไม่ระวังไปเลยจะนโมกินปาก ก็เปิดปากกระแปนมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอันนี้คือศีล น, นะองค์ของศีลที่เราจะกินถ้าเราไม่มีของพวกนี้ต่อให้อยู่เ ป, ป็นสิบปีร้อยปีก็มีประโยชน์เกิดไปร้อยสองรอยปีก็มีประโยชน์ถ้าเราวัานเทิงทรสำคัญต้องให้ครบจังรวมอันนี้คือข้อแรกคือสํารวมข้อที่สองก็คือ คือป่าในพูดจาไรเราได้ความั้องการต่อมาคือป่าเพราะมันคิดแต่มันไม่ได้พูดมันอึดอัดก็พูดแต่ไม่เดินทางคนอื่นนะมันอึดอัดต้องเอาซะหน่อยในแต่ละวันตอนคนนั้นมาเล่าคนนี้มาเล่าข่าวมาเล่าอะไรคือป่าแล้วว่าสิ่งที่เราไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวตัวเราเองนะมันไม่อะไรดีขึ้นเลยตัวสองคือป่า แต่ที่สำคัญคือปากเนี่ยเป็นที่มาทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ก็มาจากปากนี่แหละเดี๋ยวสัพักเราก็ป้อนเข้าไปโมเ oh ห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปาไขมันคอมดันเบาหวานเห็นไหมนี้พรเจ้าใช้คำแดกคือสํมรวมตระพวันเป็นที่มาเป็นที่บอ่อเกิดก็คือปากนี่คือการรักษา ทำเรามาอีกโอ้โหเรื่องใหญ่เลยตอนี้ใจถ้าเคยไม่เคยฝึกเลยนี่ถ้าเคยไม่เคยทําใจเลยมันอยู่ไม่ได้เราจะเป็นความสุขความทุกข์ความผิพาทต่างต่างเสอถ้าใจเราไม่เคยฝึกคือไม่เคยขาดไม่ เ, เหลือไปเลยคือไม่เคยทําใจสักเรื่องเลยมันอยู่บนโลกวันนี้มันยากนะ เกิดก็ไม่เข้าใจแก่ไม่เข้าใจเจ็บไม่เข้าใ จ, าใจตายไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เผื่อแล้วเลยว่ามันเกิดแก่เจ็บตายนะมันเกิดกับใครมันมีอิทธิพลอะไรกับใครมันเกิดขึ้นแล้วความทุกข์ความสุกโทมนัตตา ม, มาจุดเริ่มต้นของความทุกข์มัคือเกิดเนี่ยชาติปีตุคาบแม้เขาเขาเกิดก็เป็นทุกข์เริ่มต้นในชาตินี้ ก็ตามเรามาตลอดจนบมดภาระก็ตายตายเม่ดเ็วทุกวันหมดไปนะตายเฉพาะประทอธาตสีธาตุแห่มันแตกสต่ลายมาอยู่ไม่ได้แต่จิตมันไม่เคยตายเราเข้าใจว่ากับตายแ ล, แล้วกัแล้วกันไปตายแล้วก็แยกย้ายไปนั่นเป็นี่ไปโน่นทําบุญบุธิให้รอทําบุญไปรอตอนตายรอาระธบุตให้ตอนตายตอนเป็นเป็นคิดไม่ได้ อันตรายเนี่ยเวลาที่เรามีอยู่มันก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะเลยแต่ละคน50าสบหสิบขึ้นเนี่เวลาไม่เยอะนะพุดเจ้า80ปีเองเนะเพราะนั่นถ้าใกล้แก่งพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าแ ล, าล้วก็ถือว่ากำไรแต่คำว่ากำไรเนี่ยบรร่มต้นสินสมาธิปัญญาหรือเปล่าถึงจะได้กำไรบ้รจบตนแค่ทานมันกราแค่ทานละทานะะคมละคดีภกรัพย์ อย่างงี้เดี๋ยวหมดลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้ก็พวกเราทุกคนมวจาจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ส่วนเรื่องของทานนะตามกำลังากงารสภาพอย่าให้มากไปห้อยไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันมีอยู่ให้เน้นเรือ่องศนลเพราะอะไรเพราะว่าศิลสมาธิปัญญาไม่ต้องใช้สตัมสักบาทเลย การทำบุญที่ได้บุญมากที่สุดคือไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าทำบุญเยอะแล้วได้ไปสวรรค์นิพพานเราเข้าใจกันนี้นมานานแล้วเราลืมไปเนตัวที่เป็นบุญจริงๆคือสินบัตรที่เป็นอย่างมันยิ่งกว่าทานทําบุญกับคนมีสินตัวเองก็มีศินด้วยคนที่รับก็มีศินด้วยเนี่ยอันที่สองมันก็ยิ่งเยอะทุกสอศวันส โดยเฉาที่ปัญญา จ, จะเป็นเรื่องสําคัญเพราะพุทธเจ้าวางหลักการเอาไว้ก็เพื่อชี้นําพวกเราว่าอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญนะเอาต้องแยกเอาอะไรสําคัญไม่สําคัญนี่มันเสมอกั น, นหมดเขาแยกแยะอะไรไม่ออกเลยไม่อันตรายต่อพเราทุกคนหรือว่าเป็นห่วงยามเกิดเกิดขึ้นกับไม่กี่วันที่ผ่านมานะมันก็ไม่น่าจะเป็น มันไม่ควรจะเป็นเลยํำไปมันไม่ควรจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรสิ่งตัวเองไปละเมิดสินก็คือปากมุสาวาทาเวรมณีไม่ได้ไปว่าพูดเถ็ดอย่างเดียวนะพูดถึงพูดจาเพ้อเจ้อเลีวไหลพูดจาหยาบคายอย่างนี้ก็ชือมุสาวาทาไม่ได้ไปว่าโกหกคนเถอย่างเดียวนะ ม่ได้เปรพูดไม่จริงอย่างเดียวพูดจานเร็วไร้สาระทั้งวันเนียก็เหมือนกันอันนี่คือมุสาวาทาเวรมณีสำคัญสำคํามากๆฝากาพวกเราทุกคนให้ฝึกให้หัดอะไรที่มันทํายากควรจะเลือกตรง น, นั้นก่อนส่วนที่มันง่ายๆเราทําทมาเยอะแล้วทานเหมือนกันเราทํามันเยอะมันง่ายแต่สิ้นเราทํายาก แต่จริงๆในทางปฏิบัติมันไม่ได้ยากเลยแค่นั่งอยู่เฉยปิดปากปิดวาจาสงบกายสงบวาจาหนึ่งเป็นสิ่งทันทีแล้วส่วนใหญ่อดไม่ได้โดเพยาะยังคือปากพอเปิดปุ๊บเนี่ยไปฮะไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยความคิดมาทำหน้าที่ไปตามคิดความจำมาทำหน้าที่ไปตามความจำสแสดงออกจิตมันจาทั้งจิตทั้งจำ เราก็ใช้อันนี้จําะไรก็ไม่รู้จิต ค, คือจิตตะคิดจินตนาการคือคิดปรุงแต่งปรุงอะไรแต่งอะไรด้วยขาปฏิกิยาสติอไม่มีสติควบคุมกํากับดูแลในทุกเรื่อบทมันถึงได้เป็นอย่างนี้ที่เราลําบากก็เพราะนี้ตัวสตินี่แหละตัวที่เราลําบากไม่ใช่ตัวสตังเราไปมุ่งว่าเราลําบากเพราสะสตังไม่ใช่ สตังก์แล้วเพราะว่ามาจากสติมันไม่มีสติคนขาดสติมันจะขาดสตังก์สตังก์อยู่ในกระเป๋าอยู่ดีๆแต่ไม่มีสติมันก็ไปเพราะว่ามีสติไม่เราบพราะเป็นโทษสตังก์ไม่ได้โทษกระเป๋าไม่ได้โทษคนอื่นไม่ได้โทษตั ว, ตวเราหนมาตัว เ, อเยอะๆดูแลตัวเองเยอะๆ ให้ความสําคัญกับตัวเองเยอะๆหน่อยอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็เย็นมันไม่ร้อนไปใช่ไหนก็เย็นเพราะฉะนั้นเราในฐานะจะเป็นนักฝึกทางธรนักปฏิบัติให้ท่องไว้เสมอว่าเวลาเรามีน้อยเวลาไม่ได้มีเยอะท่องไว้อย่างนี้เหมือนลงสมเนาเกตถ้าจะอยู่เยอะไหมัญชีมือก็ไม่ถึงว่าเยอะ แต่ว่าหลบไปเคยเจ็บเดืเดือนมานานค่อยสะสมไปเรื่อยๆเขาลาอาหารเนี่ตัวดีกระแ ต, แตก็ยังดีเคยยัางข้าวัดกว่าฟัทำตามสินตั้งก็ยังมีต้นทุนอยู่ดีเพะ้นพวกเราก็เธอเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ เ, เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกคนไม่มีใครเดืนี้พ้นจากเสียงเรื่องนี้ได้ เพรอย่าไปห่วงคนอื่นมากเกินห่วงสวัสิ์พรสถานมากเกินห่วงตัวเองตอนนี้ไปทำอย่างไรที่ดียดูแลธาตุสีกันห้ากันเพืเองเนี่ยให้มันลงตัวให้มันพอดีให้มันเหมาะเจาะเพิ่มต้นทุนนี่เยอะดูธาตุสีกันห้าตัวเองเยอะๆดูรูปเวทนาสัญญาสถานวิญญาณให้เข้าใจอย่างจริงจังแล้วก็รู้เท่าทันให้มันมีอยู่นี่ มันเยอะในแต่ละวันแต่หลายที่เรายังไม่เข้าใจถ้าสี่กันห้ารูปเวทนาจาระการมีอยางของตัวเองยากต้องบอกว่ายากยากมากมากเพราะนั้นในชีวิตแต่ละวันที่มีโอกาสมีเวลาอยู่คนเดียวอย่าไปปล่อยพลังงานเก็บคิดมันทําหน้าที่ของมันทันทีจิตตะที่มันกอมันเก็บเอาไว้มันทําหน้าที่ประส่วนจินตนาการก็คือจิตแล้วก็จําจำแล้วก็เอามาใช้แล้ะแสดงออก ทางกายกรรมวิธีกรรมมนกรรมแสดงออก mm hmm. อะรียกว่ากรมกรมกรรมมันเกิดจากอันนี้แหละถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เนะกรรมมันก็ทําหน้าที่ของมันมันก็ให้ผลไปตามความคิดการพูดการกระทํำของตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับกรรมได้เลยกรรมคือความคิดการพูดการทําทำของตัวเองนี่แหละไม่มีสิ่งไหนนอกเหนือใบกินนี่ที่ทำให้เราเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่มีใครส่ไรรงไใครมา โงไทยไปไม่มีคือตัวเราเนี่แหละการกระทําของตัวเรานี่สามเรื่องแันถ้าเราแก้สามเรื่องนไไี้ไม่ได้ก็แก้กรรมไม่ได้ถ้าแก้กรรมไม่ได้ก็เป็นวิบากต้อนรับสิ่งเหล่านี้ไปแต่ถาา้ามปุเจ้ า, าบอกพรจ้าบอกแก่แต่ไม่แก่ได้แต่เราไม่ยอมแก้เพราะอะไรเพรา ะ, ประเป็นว่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาคนอื่นรู้เรื่องหมดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างนู้นรู้เรื่องหมดแต่ตัวเองไม่รู้เรื่อง วันนี้พูดอะไรพูดดีพูดไม่ดีทําอะไรบ้างคิดพูดทําอะไรวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้การปฏิบัติธรรมการแก้ไขตัวเองก็ค่อยแก้ก็ค่อยเรียนค่อยปรับค่อยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นทางทางดีขึ้นให้มันน้อยลงเช่นความโลภก็หันโลภน้อยลงความโกรธโกรดน้อยลงความหลงก็มันลงน้อยลงหลงก็เกิดจากจิตตัวเดียวที่แท้นั่นแหละ ที่มันเป็นอย่างนี้นเป็นธาตุโลภะเกิดอยากได้ขึ้นมาโทสะมันไม่ได้กับปุถุสลายปรถุสลายกายไม่ได้กับปุุสลายตัวเองคือทาาํำลายตัวเองโมหะเนี่ยปิดบังมืดบอดอทำให้จิตมันมืดมันบอดจบในมืดเหมือนก็เป็นกลางคืนตลอดมันไม่มีกลางวันมันมองไม่เห็นอะไรในสุดท้ายความดีความไมดีมันมองไม่เห็นอะไร ไม่เห็แต่ความไม่ดีตลอดทั้งชีวิตเลยมันเป็นอย่างไัมันติดบังมันอันตรายรันหัดมองโลกในแงด่ดีเปิดใจส่วนเรื่องดีริมเป็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องคนอื่นบนทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่นนั่นเขารวยไม่เกี่ยวกับเรารวยไม่เกี่ยวกับเราเราคือเราเขาคือเขา แต่ถ้าใครปฏิบัติได้ตัดคําว่าเราเขาออกได้เพราะนั้นจะหมดความยุ่งยากยุ่งเหยิงท่าอะไรจะไม่มีถ้าตัดเราเขาออกสองคำแค่นี้ถ้าเรายังติดอยู่เนี้ติดเราติดเขากันนี่เรียกอนตาั๋นแต่คือตัวตนของเราพระเจ้าต้องบอกตัดเราตัดเขาออกคือไม่มีเราก็มีเขาเลยไม่มีตัวตนของโลกอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเขาเรื่งเขาอนาถแต่มันก็ไม่ง่ายที่ไปถึงขนาดนั้นอแต่ถ้าเราไม่ทําเลยมันก็ไม่ได้บอกมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายไม่ตลงมาทําเลยอันนี้คือสารธรรมทีาเราฝากพวกเราชาวอันนี้เพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติจะได้คิดได้ก็ฝากยังจริงจังจริงใจจริงๆเลยในฐานะพองวัดคนวางเราฝางแล้วไปพิจเรณา พิจารณาน้อมรับนำไปสู่การปฏิบัติปัญหาจะไม่เกิดอย่างน้อยสุดก็นในใคือไม่เกิดกับตัวเราแตนอื่นช่างเขาเมื่อกี้อะไรกับเราอันนี้คือฝากพวเราทุกคนเพื่อให้เราทั้งหลายได้เจริญแล้มีความสุขตามสภาวะจริงๆแนละ้วความสุขจริงๆมันไม่มีมีแต่ความทุกข์มันน้อยลงลนั่นแหละครูจะบอกว่าสอนสอนเรื่องทุกข์ต้องเข้าใจตรงกัน ไม่ได้สอนให้เรามีสุขสอนเรื่องทุกข์ว่าทำอย่างไรถึงจะทุกข์น้อยลงหรือบมค้นจากทุกข์ได้ในที่สุดนั่นคือคําสอนที่แท้จริงไม่ได้สอนหาให้เราไปหาความสุขดูวิ่งไปหาความสุขไม่หนิห้หาให้ห่างจากความทุกข์ให้ได้ทุกข์น้อยลงก่อนมุนาความดีที่รเราทุกคนที่ได้นํา ำ, ำกบปลาอาหารมาวันนี้เพื่อเป็นกําลังเบำรุงกําลังกาย บำบัดเวทนาอาหารการกินนั่นคือการบำบัดเวทนาอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันแห้เวทนามันน้อยลงคือไม่มีทุกเวทนานั่นแหละถ้าให้กินเข้าไปในแต่ละวันทุกเวทนามันก็ทําหน้าที่ของมันหนึ่งมันก็เบียดพันร่างกายก็อยู่ไม่ได้จิตใจกโยย็โวยกยทุกเพราะนั้นอาหารก็คือแค่บำ บ, บัดเวทนาอย่าเป็นเนล่นเยอะลืมกินเนะี่ย พูดอยู่เสมอว่าเรื่องกินเนี่จะไปเอาไปกินเป็นใหญ่กินจนโอโ้โห้วนมีพีมันกินแทบเดินไม่ได้แต่เราคนไม่เคยพิจารณาก็คือพวกประเภทที่ไม่ฟังพุทธเจ้านะพูดเชนีมาตังยิตารู้จักประมาณในการกิ น, นอันริูดจะจัดตแต่เราก็ไม่ฟังเราจะไปโทษใครไม่ได้กระโจนมาว่น้าความดีเราทุกคน